สปัญญาในการดำเนินชีวิตจงให้แม้ยาพิษกับผู้ที่จะได้ประโยชน์จากมันแต่จงอย่าได้ให้แม้อาหารอันเลิศกับผู้ที่จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนที่กล่าวว่ามันจะเกิดประโยชน์หากตัดนิ้วเน่าที่ถูกพิษงูออกพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าหากมันเป็นประโยชน์ เราก็ต้องยอมทนลำบากเธอจงเคารพนับถืออย่างสูงต่อผู้สอนและคำสอนแห่งธรรมอันสูงสุดเธอจงตั้งใจฟังอย่างเคารพและถ่ายทอดต่อผู้อื่นต่อไปจงอย่าได้ยินดีในการพูดเรื่องโลกโลกแต่จงยินดีในสิ่งที่เป็นไปเพื่อพ้นจากโลก จงทำให้กุศลเจริญในจิตใจของผู้อื่นและของตัวเธอเองจงอย่าได้พึงพอใจเพียงแค่การได้ฟังคำสอนแต่จงทำความเข้าใจให้แจ้งชัดแล้วนำไปปฏิบัติและจงหมั่นปรึกษารับคำแนะนำจากครูอยู่บ่อยๆจงอย่าได้ท่องบนคำสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิจงเลิกตอกย้ำความหลงตน จงอย่าได้สรรเสริญคุณความดีของตัวเองแต่จงสรรเสริญคุณความดีของผู้อื่นแม้ของศัตรูจงอย่ากระทบกระทั่งกับจุดอ่อนของคนอื่นจงอย่าได้พูดถึงผู้อื่นด้วยเจตนาร้ายแต่จงควรเฝ้าสังเกตและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเราเองเธอควรกำจัดความหลงตนของเธอ มันเป็นความผิดที่ชอบติดเตียนผู้อื่นและด้วยอิทธิพลของเธอก็จะทำให้ผู้อื่นกระทำเช่นเดียวกันจงเข้าใจว่าสิ่งร้ายๆที่ผู้อื่นกระทำให้แก่เธอนั้นมันย่อมเกิดมาจากสิ่งที่เธอกระทำกับเขามาก่อนอย่าได้โกรธเคืองเขาเลยเมื่อเธอทำเช่นนี้จะไม่นำมาซึ่งความทุกข์ และความผิดของเธอก็จะค่อยๆหมดไปจงช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจงเผชิญทุกคนเดียวแต่จงแบ่งปันสุขให้ผู้ที่ต้องการอย่าได้ฟูใจแม้จะรุ่งเรืองมั่งคั่งดุจพระเจ้าจงอย่าได้เสียใจแม้ทุกยากเข็นใจราวกับเปรตเพื่อประโยชน์ของเธอเองจงพูดแต่ความจริง แม้มันจะทำให้เธอตายหรือทำให้เธอสูญเสียอานาจจงอย่าได้พูดในทำนองอื่นเลยจงรักษาระเบียบวินัยในการกระทำทั้งหลายของเธอให้ดีตามที่มันได้วางไว้หากเช่นนี้แล้วเธอจะเป็นผู้มีอานาจน่าเชื่อถือที่สุดบนโลกนี้เธอควรจะคิดให้ดีทุกครั้งก่อนจะทำอะไรลงไป และด้วยการเห็นทุกสิ่งถูกต้องตามที่มันเป็นจงอย่าได้วางใจผู้อื่นมากเกินไป